ตั้งใจฟังคำแนะนำจักประมาณยี่ยสิบแปดลัทปุเพนิวาสานสีิยานตปีตังสียานคำว่าปเุเพ น, นิวาสานุีิยานคือการลึกชาติได้ตปีตังพิยา น, า น, ยา น, ายนรู้เหือการในอดีตปังจิงญาทั้งสองยานนี้มีสภาพเหมือนกันแต่ว่าโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่ง ปุพยด้วาสารตุสยานรู้เรื่องราวเฉพาะของเราเองถ้าเราต้องการว่าเราเกิดมาแล้วกี่ชาติเป็นอะไรบ้างรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายมีตระกูลเป็นแบบไหนมีฐานะแบบไหนการมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในช่วงกลางมีการสลายตัวในสุดมีสภาพเป็นยังไง เราพัฒนาความเป็นอยู่เราเป็นนักบุญหนักบาปอย่างนี้เราจะรู้ได้ทั้งหมดก็กำลังรูปภัยนิวาสานติยาณดะงนั้นการฝึกมโนยิทธิทุกคนจะต้องคล่องตามนี้ไม่ใช่ว่าจะเพาะทำได้ถ้าต่อไปถ้าเป็นอติตังติยานรู้เรื่องราวของคนอื่นเรือร่องนนของคนเขาสัจจะสารที่ ว่าที่แล้วแล้วมาเป็นยังไงการรู้แบบนี้เป็นเป็นเหตุเป็นรู้เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งในปัจจุบันก็คือว่าไม่สงสัยในคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดจากคําว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิคําว่ามิจฉาทิฏฐิแปลวความเห็นผิดรู้สึกผิดสัมมาทิฏฐิความรู้ถูกความเห็นถูก นี่เป็นส่วนเบาแต่ส่วนหนักจริงๆเป็นก็เป็นการตัดกิเลสหยาบที่มีความสำคัญมากคือการถือตัวถือตนถ้าเราสามารถรึกชาติได้เราก็จะทราบว่าการตัดทั้งแบบทุกประเภทเราเคยเกิดมาแล้วในเมื่อเราเห็นสัตว์ประเภทนั้นเข้าเราก็ไม่รังเกียจในสัตว์ ฐานะของคนทุกฐานะเราเคยเกิดมาแล้วเห็นคนประเภทนั่งข้าวเราก็ไม่รู้สึกหนักใจเป็นเหตุแหการตัดมาณะทิฏฐิการถือตัวถือตนได้อย่างหนึ่งไอ้อมณะทิฏฐินี่ความสําคัญมากมันมีตั้งแต่ต้นยันปลายถ้ากําลังใจของท่านผู้ใดยังมีมาณะทิฏฐิ ถ, ๆๆถือตัวถือตนอยู่ กจะถือว่าจิตยังทรงกิเลสหยาบอยู่มากเอาความสุขกายสุขใจได้ยากและเมื่อเราสามารถตัดมานาทิฐิได้กาลังใจก็เบาแต่นอกจากนั้นไปนเหตุสำหรับหนุนส ก, กายติจิการเข้าไปตัดร่างกายการที่มีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรา ตอนนี้ถ้าเราใช้ปรกปรนิวาสานุติยานจะเห็นชัดว่าร่างกายแต่ละชาติที่เราเกิดมาประกอบไปด้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุดมธาตุไฟมีอาการสานสองจริงๆทุกชาติเราถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราและเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราแต่ว่าในที่สุดทุกชาติเราก็ตรงที่ร่างกายประเภทนี้หมด แล้วก็ถอยหลังไปชาติที่หนึ่งเราเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นคนคนรูปร่างแบบนั้นเวลาเราตายแล้วอารูปร่างมาเกิดด้วยเปล่าก็ต้องถือว่าเปล่าซึ่งขันห้าที่ประกอบเป็นปธาตุสี่จมอยู่ที่นั่นถ้าถอยหลังไปทุกชาติก็จะมีสภาพแบบนั้นนี่อันนี้เป็นการตัดส ก, กายยตดิสิ้นถือว่ายึดถือร่างกายเกินไปต่อมาก็เป็นการตัดราคะ ใจ ต, ตามมฉันทะคือความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศการตัดทางการมฉันทะไม่ว่าเราจะมองดูว่าร่างกายของเราก็ดีนี่เฉพาะปบทเพลงวาสารุ่ยานถ้าไปอารตีตังสยานจะดูร่างกายเขาบอกคนอื่นด้วยถ้า <c oughs> ร่างกายของเราก็ดีร่างกายพวกคนอื่นก็ดี ที่ประกอบผู้ดูการสามสิบสองเจนว่าในตอนเด็กก็เป็นคนน่ารักเหมือนกันทุกคนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีรูปร่างน่ารักเหมือนกันทุกคนเริ่มทั้งวัยกลางคนรูปร่างก็เริ่มเหี่ยวความน่ารักค่อยๆสลายตัวไปต่อไปที่ความเรื่องแก่ความน่ารักหมดไป เหลืออย่างเดียวคือหน้าสงสารที่ทําอะไรไม่คุ้มสไวคนแก่ทําอะไรไม่ไหวเราก็อยากจะช่วยแล้วเราสงสารตัวเดียวอต่อมาก็ดูร่างกายของเราด้วยร่างกายของคนอื่นด้วยขณะที่ยังทรงชีวิตอยู่เราเห็นความสุขประปกน้อยแต่ถ้าว่าไปสังเกตโดยดีเวลาที่ร่างกายนั้นตาย เราถอยหลังไปทุกชาติจะมีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันหมดว่าคนทุกคนหรือชาติทุกชาติที่เราเกิดร่างกายของเราเริ่ ม, เ ร, มเริ่มแรกมาตายใหม่ๆม่ันจะขึ้นสีเขียวต่อมาการพองย่อมรายกดแล้วต่อมาก็จะมีน้ำเหลืองไหลเฟะล้วก็ต้องพิจารณาดูร่างกายของเราเองในสมัยชาติ น, นั้น ว่าสิ่งส ก, กรปรกทั้งหลายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่มันไหลเข้าแจ้งจากร่างกายมันมาใหม่หรือมัน ม, มีอยู่แล้วใช้ปัญญานิดเดียวก็จะทราบว่าคอนทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้มาใหม่มันเป็นสิ่งที่ขังอยู่ในร่างกายตามปกติแต่ถ้าว่าเวลานี้ธาตุลมสลายตัวไปธาตุไปในร่างกายดับ เหลือธาตุน้ํากับธาตุดินดินไม่มีไฟหล่อเลี้ยงไม่สามารถทรงตัวได้น้ําก็ละลายดินธาตุดินเคยมีเนื้อยมีหนังมีกระดูกเป็นต้นเลยเพราะอย่างยิ่งเนือกับหนังคนธาตุน้ําไม่ไหวน้ําก็ละลายไหลามาเป็นน้าเหลืองความจรงน้ําเลือดน้าเหลืองน้ำหนองนี่มันมีอยู่ร่างกายแล้วธาติทีจะน่าอย่างนี้เป็นปกติไว้เรื่อยๆทุกๆวัน ถ้าใครใช่ตีสังขยานว่าคนในอดีตมีใครบ้างเ อ, อสัตว์ในอดีตมีใครบ้างที่ร่างกายไม่สมปรกเราจะมองไม่เห็นเลยเมื่อคืนรู้สึกความสมบรก์จาร่างกายเกิดขึ้นอย่างนี้นิพิทายานค่อยๆเกิดทีละน้อยๆคำว่านิพิทายานมันหมายถึงความเบื่อหน่าย คือความเบื่อหน่ายในร่างกายอาการความรังเกียจในร่างกายจะเกิดขึ้นเพียงน้อยๆค่อยๆเกิดขึ้นเกิด ข, ข, ข, ขึ้นไปเดียวหนึ่งก็ดับไปลืมต่อไปบางวันเกิดความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นนิดหนึ่งก็หายสลายตัวไปเพยังไม่มีการทรงตัวเพราะว่าถ้าปฏิบัติจนชินใช้กําลังญาณนะสองอย่างคือปุเพนิวาสามิญาณ กับปฏิตัทยานั้งสองอย่างควบคู่กันไป <c oughs> ใช้ทุกวันพิจารณาตามนั้นทุกวันขอมองเห็นความเป็นจริงทุกวันอย่างนี้จิตจะก็ค่อยเบื่อจ อ, อน้อยแต่น้อยแต่น้อยจนกระทั่งมีความเบื่อทรงตัวเห็นว่าร่างกายเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีเต็มได้วยความทุกข์กระโตกก ที่เราเห็นวันดีว่าสวยสดก็ ง, งามก็แค่ผิวหนังผิวหนังกระพร้าบางๆแต่ผิวหนังจริงๆมันก็สกปรกถ้าไม่อาบ น, าน้ำชำระร่างกายเหงือ่อไหลออกมาฝนละอองติดแล้วก็สกปรกแต่เราก็มองเห็นความสกปรกได้น้อยต่อมาเมื่อดูให้ลึกขึ้าไปใช้กาลังวิทิุจักุญาน เห็นว่าใต้หนังก็ไปก็มีเนื้อใต้เนื้อก็ไปหน่อยเดียวสมัครแต่เฉพาะที่ร่างกาที่ตัวมันก็ยังมีกระดูกที่โครงกันอยู่ภายในของกระดูกที่โครงนั้นกระดูกที่โครงกเเเเรงรงง็เป็นเรื่องร้างเพราะเป็นเรื่องร่างเข้าโรงงานโรงงานข้างในคือมีจะตับใจใส้ปอดทํางานทุกวินาทีตั้งแต่เกิดมาจนทั้งวันตายทั้งหมดนี้เต็มด้วยความสุกกระบกโศกไม่มีอะไรสะอาด อย่างนี้เขาคิดตามนี้นะในการคิดว่าร่างกายของเราสะสซกบกและเป็นสิ่งที่น่าเบือ่อถ้าบังเอิญคิดได้บ้างคิดได้สักสองสามนาทีเห็นด้วยแต่ต่อไปจากนั้นก็ลืมสภาพไปั้นนองมีความยมชมชอบในร่างกายตามเดิม ต่อไปวันหนึ่งสองวันอาการอาการเบื่อก็เกิดขึ้นใหม่พิจารณาใหม่เบื่อใหม่เมื่อบ้านได้ก็สองสามนาทีก็สลายตัวความยมจนชอบเข้ามาแทนอย่างเดิมถ้าถามว่าถ้ากำลังใจเป็นแค่อย่างนี้จะมีผลไหมก็ต้องขอตอบว่าถึงแม้ว่ากำลังใจเป็นแค่อย่างนั้น มีความเบื่อเล็กน้อยถ้าจิตก็สลายตัวไปก็มีผลมหาศาลตัวอย่างเอามันมีตัวอย่างมากเฉพาะพระยศพระยศก็แล้วกันถึงง่ายๆท่านพระยศนี้ก่อนจะเกิดมาชาตินี้ท่านเป็นเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่จะว่าเป็นคนมีจิตเมตตากรุณาคือเมตตาความรักกรุณาความสงสารต่ค น, นยากจน การรักกันสงสัยคนยากจนท่านไม่มีไม่มีเงินจะแจกไม่มีทรัพย์สินแจกเขาไม่ได้รํารวยเป็นแตเพียงว่าคณะของท่านรวมแล้วห้าสิบห้าคนเป็นสัพรพสาธารณะ <c oughs> นะ่าจะหมายความว่าถ้าใครตายปรากฏว่าตายขึ้นมาแล้วไม่มีสัพเพเรรับคือคนจนไม่มีคา่าจ้าง คณะของท่านห้าห้าคนก็ยอมทาหน้าที่สเปรอไม่ต้องมีสินจ้างรางวัลช่วยช่วยเอาบุญเฉยๆการช่วยของท่านแบบนี้ทาตลอดมาแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนตายแล้วก็เผาคนตายแล้วก็เผาก็ไม่มีจิคิดไปอย่างอื่นแต่ก็เป็นการบังเอิญวันหนึ่งขณะที่รับทันอาหารเย็นอยู่ <c oughs> ก็มีคนเข้ามาบอกว่าเวลานี้มีศพหญิงท้องแก่หญิงกำลังตั้งครรภ์แก่ลอยมาพระที่นาธาคณะของท่านทั้นหอกก็จัดการละจากชามข้าวไปนำศพตั้งขึ้นเชิงต่กอนแล้วใช้ปืนเห็นว่าปืนขนาดนี้ก็พอที่จะเผาศพนี้ไหม จัด ก, การสุมไฟเสร็จก็ต่างคนต่างกลับบ้านจริงข้าวตามเดิมต่อมาระยะนานพอสมควรมีคนก็เดินผ่านกองพรมากองพรคือที่เขาเผาศพ <c oughs> เขาก็เห็นว่าไฟน่ะหมดแล้วเป็นฐานถ่านก็ดับแพรว่าศพมีสภาพใหม่ๆเขาก็มาแจ้งอภยศทราบ พยดพร้อมในคนณะของเราโดยย่อพร้อมด้วยคณะต่างคนต่างก็ไปดูเห็นว่าศพไม่ไหม้จริงๆรกันทกคเป็นของอัศจรรย์ยั ง, ง, ง, ง, งมีความรู้สึกว่าศพลอยน้ํามาอิ่งไปด้วยน้ําถ้าเราเผาธรรมดาศพก็ไม่ไหม้เพราะน้ำซุ่มมากจึงใช้ไม้แหลมเอาไม้ฟันออกมาไปปกักไม้แหลมปกักเป็กแทงศพนั้น พอแทางเข้าไอ้น้ำเหลืองน้ำหนองน้ำที่ขังในร่างกายมันก็ไหลออกมาไม่เห็นหน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันไหลออกมาทุกคนเห็นว่าสภาพร่างกายทุกคนมีสภาพตัวกระบอกอย่างนี้เฉอทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกันว่าร่างกายของคนนี่มันสมปรกจรงิงๆน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่มองหายมองเห็นนี่ความจริงมันไม่ได้มาใหม่เป็นของเก่าในร่างกาย ก็รู้สึกมีความบางเกยียดในร่างกายในเมื่อ น, น้ำไหลเอาหมดตามท้งครแล้วก็นำเฟื่งที่คิดว่าเผาเท่านี้นจะไหม้หมดมาเผาใหม่จดมันก็เผาพกจบมันก็ไหม้สรงความปรารถนาแต่ความจริงคำนิกิจัยยายคือความเดือนหน่ายของคณะพยศก็มีแค่นั้นนะไม่มีอะไรมาก สมายวคมเห็นศพนั้งมีน้ำเหลืองน้ำหนองก็นึกกลั่นเกียดร่างกายไว้ร่างกายสุดกอาจจะติดตาติดใจมาสัวันสองวันก็เป็นได้ไม่มากนักต่อมารมนั้นก็สลายตัวแต่ใส่ความดีที่ณห้าิห้าคนนี้มีเมตตาความรักกุณาความสงสารในคนยากจนกษาเป็นสัพเพสาธรณะ ไม่เอาเงินไม่อาทองด้วยความดีที่เป็นบุญทุกคนตายจากความเบคนก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างตามกำลังของบุญต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าตัดลงมาอบัติในโลกหมายความพระพุทธเจ้าลงมาเกิดคณะพะยุทั้งหมดก็ลงมาเกิดไม่กัน โดยใส่มีความเมตตาปราณีของท่านคณะของท่านทั้ ง, งหมดเป็นเศรษฐีหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประยศเป็นหนะัวหน้าคณะเป็นมหาเศรษฐีคือเป็นลูกกองมหาเศรษฐีเมื่อเป็นลูกกองมหาเศรษฐีแล้วพ่อก็สร้างบ้านเจ็ดชั้นให้อยู่บำรุงบำรรอด้วยสตรีมีเยอะแยะมีปัญญามาก ได้เห็นว่าคนไหนดีกว่านําคนนั้นมาคนไหนดีกว่านําคนนั้นมามากมายแต่เจว่าบุญบารมีเก่าบรรดาท่พระธิดาศักดิ์ที่มีความเบื่อหน่ายในร่างกายแค่ชั่วคู่เดียวมาสนองท่านวันหนึ่งในวันพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดปัญญวิีคราะสีทั้งห่าแล้วตั้งใจจะไปกรุงราชคฤห์เพื่อไปโปรดพระเจ้าผู้สารตามสัญญา ก็นาที่ออกาำภารกิจ ม, มหาวิเทศกลมเดินมาเวลานั้นยังไม่ถึงที่มหาวิทยาลัยสพระเจ้าพิมพิสารออกมาต้อนรับก็เป็นเพื่อนกันพระพิมพิสารนี่มนุษย์พระเจา้าศึกแล้วก็อยู่ครองราชบด้วยกันจะแบ่งได้สมบัติไปครึ่งหนึ่งพระพิมพิสาบอกเราไม่เช่ต้อตงการสมบัติไม่มีใครขับเรามาเราเห็นว่าโลกเต็มเปด้วความทุกข์เราต้องการมหาวิเทศาลัสกลคือการเป็นพระพดมเจ้า ปัยกิเลสที่เป็นปสมุเทเฉตบาหาันพระเจ้าพิมพสารเนี่รัตนาบอกว่าถ้าบรรลุอภิเศษสัมมาทัมณธิยานเมื่อไหร่ขอให้มาตรัดเทศตรวจสมก่อนสมเด็จปชินวรนก็ทรงรับคํจากนั้นเมื่อพระเจ้า บ, บรรลุอภิเศษสัมมาทัมณธิยานแล้วพิจารณาด้วยกําลังของญาณว่าธรรมะที่เราบรรลุ น, นี่ละเอียดมาก ยากก่บางคนเพรารู้ตามมีใครบ้างที่จะมรู้ตามได้บ้างเห็นว่าอาจารย์เราสองเรื่อง 2, ทกกระดาบออารากระดาบทองสองคนที่นอาจารย์ใหญ่ได้สมาบัตแปด้ท่าฟังเทศเพียงจบเดียวเท่านสองท่นจะได้รู้อรหันตันทีแต่ว่าองค์สมเด็จพระจินสีก็ทร า, าบด้วยกําลังพออยาา่นเวลานี้อาจารย์เสองตายไปแล้วท่านตายไปเกิดไปรูปกรบมไม่เหมาะ ไ ม, ไม่เรียกว่าไม่มีโอกาสที่เทพโปดได้ก็พิจารณาต่อไปเห็นว่าปัญญวคีหรือศีรษะห้ามีท่นานกลระยะเป็นประธานปฏิบัติเรามาด้วยดีเราตั้งใจด้วยดีออกบทตามเราฉะนั้นเราควรไปสอนของพ้ะท่านท่านจะไปเทศโปรดปัญญวคีหรือศีรษะห้าเป็นอารหาันต์ทั้งหมดหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบรมชนกก็ตั้งใจเดินมาเพื่อจะม า, รากรุงเจรคือ ก็ผ่านพัทวคีคนที่มีความเจริญแล้วสามสิบคนพระพุทธเจ้าก็เทศโตทให้เป็นประโสดาบันเมื่อทุกคนเป็นพระอาียเจ้าแล้วพระเจ้าก็ส่งไปประกาศศาสนาต่อมาก็ตั้งใจจะเป็งกวนกงนอยอยาจะคือก็ยังไม่สันจัดเสียงก็มาพักอยู่ในป่าใกล้ๆกับบ้านของท่านท่านระยศแต่ความจริงอาจจะปรากฏในข่ายพยายหอเอียงแลวกวได ในคืนที่ององสมเด็จพระจอมไตรมาพัทย์จะไม่ไกล น, นักจากบ้านในป่าคืนนั้นก็เป็นของอัศจรรย์ตอนหัวค่ำบรรดาสตรีทั้งหลายก็มาเลียงเพล่งกันกต่างๆร้อ ง, องําขับร้องเป็นเครื่รองปลอมเป็นเครื่รองปลอมมันก็ทาให้เปิดเพลินก็พอดีพระยศที่เป็นพ่อบ้านใหญ่หลับไปก่อนหลับก่อนที่เขาจะเลิก บรรดานักร้องนักรำเท่าไรลอนนั้นดีตอนเลิกแล้วไม่ได้เ ก, ก็บของต่างคนต่างหลักที่ฟอนลำขับร้องก็อตอนดึกขึ้นมาตอนตื่ใกล้เช้ามืดขยศตื่นเึ้นมาก่อนคนอื่นทั้งหมดอาใัยกําลังบุญที่เป็นสปเปเอ <c oughs> เห็นหญิงคนนั้นในร่างกายสกปรกเตี้นน้ำไม้แทงน้ําเหลืองไหลออกมาบุญตอนนั้นเข้าสนองทันที ก็ลืมตามาแล้วปรากฏเห็นส ต, ตรีทั้งบทที่เห็นว่าสวยสดงดงามเหล่านั้นกลายเป็นศพไปหมดเห็นทุกคนกลายกลายเป็นศพไปหมดก็นึกในใจว่าที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องยังลุกกระหนุ่งเสื้อหนุกผ้าตามปกติแล้วสวมหมวกใส่รองเท้าเดินออกไปถึงบ้านปากก็เป็นวาจา ว, ว่ารําคาญจริงหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอร้องเรื่อยไปตามนั้น เวลานั่นองค์สมเด็จพระปกเวันคือพระบรมเจ้าจงกรมดักอยู่เข้าไปใกล้สถานที่องค์สมเด็จพระบร ม, มครูจึงทรงจัดว่ายศนิยัสะภาษาบาลีนิยัสสะภาษาไทยโดยศเพราะยศที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไมวุ่นวายจึงเข้ามาที่นี่จงฟังเทศท่านบายศฟังว่าที่นี่ไม่ขัดข้องไม่บุ่วายก็ถอดรองเท้าถอดหมวกเข้าไปนั่งกระโยงฟังเทศ พระพุทธเจ้าก็ทรงแทรกลูกปุปกกถามีสวรรค์เป็นต้นพอไม่ชาพอเทศจบท่านก็ได้เป็นระโสดาบันท่านเวลาต้องใกล้จะสว่างเพราสว่างใหม่ๆทุกคนเื่นขึ้นมาไม่เห็นพยศพ่อกับแม่ก็ต่างเสียใจเจ้าส่งคนไปตามทุกที่ก็ บ, บัการบังเอิญจริงๆที่พอดไปตามทางเขายศถึงี่เพื่อที่ไปเวลานี้พยศอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้ว เมื่อพ่อเข้าไปที่นั่นเขาก็ไปถามพระพเจ้าพระเจ้าสวรรค์ดานให้พ่อกับลูกไม่เห็นกันทั้งเขาถามว่าโพเบริสะดวงกอมรุษผู้เจริญเห็นลูกชายมาที่นี่หมายชื่อยศพระพุทธเจ้ากลว่าจะถามลูกชายทําไมตั้งใจฟังเทศีดีกว่าเขาก็ฟังเทศีพระพุทธเจ้าว่าเทศีกันเดียวกันจบเป็นประโสดาบันอีกยศตั้งข้างหลังฟังเป็นขน้างสองเป็นพระหรหัน เวลามันหมดถ้า ต, ต่อมาเพื่อนอิศร์อีกห่าอิศรสามคนก็มาฟังเทศกันเดียวกันเป็นพระรหัสเช่นเดียวกันนี่เป็นอนว่านิพิชายาถึงไม่จะเกิดวันอนิจวันอนอยอาจจะไม่ใช่วันวันต่อวันวันนี้เกิดติดหน่อยอีสี่ห้าวันเกิดอีนิดหน่อีอเดือนสองเดือนเกิดอีนหน่อยเพียงเท่านี้ก็เป็นบา ร, รมีไปจําใจถ้าเรายังไม่หวังนิพพานชาตินี้ชาติต่ อ, ต, อ, ต, อต่อไปเบื้องหน้า ตายแจกความเป็นคนก็ไม่พ้นเทวดาหรือกมุ่มนางฟ้าเวลาที่องค์สมเด็จตั้งสมาลูกเจ้าทรงบรรลุอวิเศษสมาลพุทธิยานเมื่อไร่ในโลกนี้เราก็มาเกิดฟังเทศเกี่ยวกับนลุกขึ้นพุ่งพุ่งขาการกเพียงกันเดียวยอดยอดการบรรลุมรอย่างประยชน์กนารขณะของท่านนี่จะรวมความมา น, นิปิทา ย, ยานไม่ได้เกิดใช้เวลาไม่มากก็มีผลอรยยิยญาณญาติโยมทุกคน เวลานี้ก็ใกล้เวลาเจริ่มโนยิทธิก็ขอพูดรืมโนยิทธิเอวิธีฝึกมโนยิทธิคือขันดับแรกรู้ลมไม่ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นกวรู้ขณะที่รู้ลมไม่ใจเข้าออกนั้นขอย่ายโยมภาวนาตามมณัมาปะทะ เวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนะว่าพระทะขณะที่ทุกคนภาวนาอยู่เขาชเวลานั้นจงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดถ้าอยากรู้อยากเห็นเข้าจิตจะวุญซ่านขณะที่ภาวนาในความเป็นคิดยังไม่เกิดเพียงแค่ต้องการให้จิตในการทรงตัวต่อไปเมื่อมีคนเขาไปนั่งกลางวงหรือนั่งข้างหน้า ก็จทราบว่าคนนั้นเขาจะเข้าไปแนะนําคือเป็นครูพูดสอนตอนนี้มีคนเข้าไปนั่งกลางวงและนั่งข้างหน้านั่นตอนนั้นก็บรรดาญาติโยมทุกคนเลิกภาวนาทันทีหยุดไม่ต้องภาวนาแล้วก็ไม่ตนไม่ต้องสนใจจมูกใจเขาออกเอาหูตั้งใจฟังฟังทางหูเอาหูฟังเสียงที่เขาพูดที่แนะนำในการตักกีเลส ขณะที่ฟังอยู่จิตจะมีความเพลิดเพลินจากการแนะนําขณะที่จิตเพลิดเพลินในเสียงธรรมะเวลานั้นจิตจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมณ์ก็เริ่มเป็นทิพย์ความประทิพย์จะมีได้เมื่อจิตว่างจากกิเลสถ้าก็ครูผู้สอนเห็นว่าจิตเริ่มว่างจากกิเลสอารมณ์ความเป็นธรรมความเป็นทิพย์เริ่มเกิดขึ้นตอนนั้นเขาจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมีอยู่ข้างหน้าบ้าง เขาไม่ได้ถามเรื่องตัวเขาเขาถามเรื่องเทว ด, ดาเรื่องนางฟ้าเรื่กลุมหลวพระ阿เรียเจ้าที่ท่านมาสงเคราะก็เวลาจะเรียนการบัรนั้นนะท่านมากันมากถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีอย่ายั้งตัวอย่กลัผิดถ้าไม่กลัวผิดมันจะไม่ผิดแน่เชื่ออารมณ์แรกอย่าไปเชื่ออารมณ์ที่สองความรู้สึกครั้งแรกดียังไงตอบทันทีอย่ารออารมณ์ที่สองอารมณ์สองที่สงสัยผ่านมานล้วมันผิด แต่ถ้าถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอย่างนี้เป็ความรู้สึกเป็นแบบไหนก็ตอบตามนั้นถ้าเขาถามว่าท่านคนนั้นแต่งตัวเสี้อะไรก็ตอบตามตามจังหวะตามที่มีความรู้สึกเห็นนี้ความเป็นทิพย์ของจิตจะมัดาญาโยมพุะตบริษัทคําว่าทิพยานไม่ใช่ตาทิพย์ยาใช่ตาดูน่าไม่เห็นเพราะใจทิพย์จะมีความรู้สึกทางใจ เจอเวลาที่ต้องการจะรู้ให้รู้ทางใจไม่จะรู้ทางตามีความมรรทิปจะไม่เสมอกันที่คนนี้จิตสะอาดเล็กน้อยจะมีแต่ความรู้สึกของจิตจิตไม่เห็นภาพให้เชื่อความรู้สึกของจิตถ้าหากคนที่มีจิตสะอาดเป็นกลางจิตมีความรู้สึกแล้วจิตเห็นภาพจะไม่ชัดเจนแจ่มใสคนที่จิตสะอาดที่สุดมีจิตมีความรู้สึกแล้วจิตมีเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมาก เจานทั้งสามรายการนี้ใครจะได้ขนาดไหนก็ตามให้เชื่อความรู้สึกของใจเป็นสำคัญจะรืงว่าจิตมีความรู้สึกยังไงตอบอย่างนั้นทันทีอย่ายังโถอรามัญได้ญายโยมเพื่อบริษุทุิคนเวลาหมดแล้วตอนที่ไปขอทุกท่านหันหน้าไปทางพระพธรูปตั้งใจนวัตการพระนรัตะไัรสม า, สสม า, สมาทานศีลสมาทานเนกรรมฐานอืมอ่านอ่นอ่เจ้าอ่านอานอ่านูใช่จจจจไหครับ จะว่าก็ซังควราไม่ยังพะเกวันตังจะทำมังจะซังขังอิเมหิเสการหิยะธาลังอารปิเตหิอภิปุสิยามะ ญาตุโนภันเตภะวะสุจีราภิปุตโตอันปีปัจจิมาสนาตาโนกัมภมารัสสานิมิสิกรทุกตารภูตริันหตุ อัมหากังดีครัตังหิตายะสุขายะระหังสมมาสมุทโภพกวาพุทธังพระกวนตังระพิวาเดมี กวาขาตัวพะกวยตาอัตมโมอัมมังลมาซามิจุปาติปันโนพะกวยตัวสาวกสังโฆสังขังลามาภิ ต่อเ น, นื่ไปขบันดาญาโชนทั้งหมดตั้งใจสมาทานชิ้นแปดแต่ว่าสําหรับชิ้นแปดทีบางคนอาจจะกัดข้องหลังจากเลิกกรรมฐานแล้วฉะนั้นเห็นว่าชิ้นแปดทไม่สามารถจ ะ, ะถรักษาได้ตลอดวันพราะเลิกจากรรมฐานแล้วก็ตั้งใจสมาทานชิ้นห้าตราตั้งอยู่ชิ้นห้าก็แล้วกันนะั้นไม่เป็นไรนะโม ต, าาตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัญะโมตัสสะ ปควาโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมท a สะปควาโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อุทังสระนังขจามีธรรมังสระนังขจามีสังขังเสระนังขจามีตุติยัมปีอุทังสระนังขจามีตุติยัมปีธรมังสระนังขจามี ตัติยมปีสังขังเสระนังขชามีตติยมปีพุทธังเสระนังขชามีปัติยมปีธรรมังเสระนังขชามีตติยมปีสังขังเสระนังขชามี ปานาติปานาวีระมณีสิกขาปะทังสมมาธียามีอะินาธานวีระมณีสิกขาปทังสมาธียามี <c oughs> กรรมชาจียาวราะมณีสิข้าวทังสมาทยามีมุสาวาธาวีระมณีสิข้าวทังสมาทยามี